พะตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นเหมือนคนตาดีถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราถ้าเป็นคนตาบอดเราก็ต้องอาศัยคนตาดีพาเราไปตอนนี้พวกเราบอด ภายในใจไม่ได้บอดทิที่ร่างกายตาของร่างกายเราดีอยู่เราไปไหนมาไหนได้เองสะดวกสบายแต่ตาของเราอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าตาในหรือตาทิศเป็นตาของใจตาของใจพวกเราตอนนี้มืดบอด เพราะว่าเรากำลังหลงติดอยู่ในภพต่างๆที่มีความทุกข์ไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพไหนเราก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะทุกภพนั้นไม่เกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาพวกเรา ไม่ชอบความตายกันเราจึงทุกข์กันส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี่ท่านมีตาในท่านเห็นทางที่จะพาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นผู้นำทาง ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือทำไมเราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ ง, ก, ง, งก็คือถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นเอง ให้ท่านเป็นผู้สั่งสอนเราบอกวิธีที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในทางของการเวียนว่ายตายเกิดเราเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างโชคชนจำนวนภพชาติของเราที่ผ่านมานี้นับไม่ถ้วน ถ้าอยากจะรู้ว่าเราได้เวียนว่ายตายเกิดมามากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็ส่งให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติเอามารวบรวมกันแล้วเราจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมาเกิด มาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันถึงจะผลิตน้ำตาได้มากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนของภพชาติที่เราเกิดเลาตายกันมาอย่างโชคโชนอย่างไม่หยุดยัง้งและยังเกิดตายกันอยู่ต่อไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีใครที่จะรู้จากทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้และที่จะสอนเราให้เราได้ออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราหยุดหลั่งน้าตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือความสาคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราต้องยึดถือเป็นครูเป็นอาจารย์การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาลาเนะนี้ ก็ไม่ได้ห้ามให้เราไปเคารพนับถือผู้อื่นเราก็ยังนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆตามโรงเรียนต่างๆเราก็ยังนับถือท่านได้เคารพท่านได้เชื่อฟังท่านได้ตราบใดที่คำสอนของท่านไม่ได้ขัดกับคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเอที่เราไม่สามารถทําได้ถ้าใครสอนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจึงเราจะไม่ต้องอทําตามถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์อันดับที่หนึ่งของพวกเรา ครูบาอาจารย์ท่านอื่นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ระดับที่สองที่สามตามมาถ้าคําสั่งคําสอนของท่านาไม่เสียหายาไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอาหรือบางทีขัด เ, เราก็ไม่ทําตามได้ เ, เช่นคําสอนบางคําสอนของพ่อแม่ก็อาจจะขัดบางคําสอนก็อาจจะไม่ขัด คำสอนที่ขัดเราก็ไม่ทำตามได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคารพพ่อเคารพแม่เราเคารพพ่อเคารพแม่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังเกิดเกล้าท่านมีพระคุณกับเราท่านช่วยเหลือเราท่านให้กําเนิดเราเลี้ยงดูเรา อันนี้เป็นพระคุณที่เราจะต้องอานาลึกถึงเสมอต้องเคารพทับถือท่านในฐานะนั้นแต่ถ้าท่านสอนอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราขัดคำสั่งของท่านได้เช่นเราอยากจะบวชแต่ท่านไม่อยากให้เราบวชแต่ว่าอย่าบวช อยู่ในโลกนี้รรมหากินมีครอบครัวดีกว่าไปบวชอย่างนี้เราขัดคำสอนของท่านได้เพราะว่าคาสอนของท่านสู้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นั่นเองเพราะการออกบวชนี่เป็นการไปศึกษาเป็นการไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ส่วนการอยู่คลองชีพอยู่ดำรงชีพแบบผู้คลองเรือนมีครอบครัวอันนี้เป็นการเดินทางไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเดินทางไปสู่กองทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เราก็ยังเป็นคนตาบอดอยู่ยังไม่เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข และไม่รู้ว่าการมีครอบครัวการอยู่แบบผู้ครองเรือนนี้เป็นการอยู่กับความทุกข์นี่คือความตาบอดของปุทุชนที่ต่างกับพระอริยะบุคคลที่เห็นความทุกข์ในวิถีชีวิตของปุทุชนธรรมดาอย่างพวกเราคือคารว่าผู้ครองเรือน วิถีชีวิตของคารวาสนี้จะมุ่งไปสู่การมีความทุกข์ต่างๆเพราะความมืดบอดของจิตใจที่มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองทั้งๆที่มันเป็นทุกข์แต่มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ กับเห็นว่ามันเป็นสุขพอไปหามันไปเอามันมาครอบครองมันก็เลยต้องทุกกับสิ่งที่หามาได้อ น, นี่คือความแตกต่างระหว่างปุตุชนกับพระอริยบุคคลคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเห็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์ เราเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขท่านเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเชื่อคนที่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ อ, อะไรไม่เป็นทุกข์ถ้าเราไปเชื่อคนที่ไม่รู้ว่าว่าทุกข์เป็นทุกข์ไปเชื่อคนที่ที่คิดว่าทุกข์เป็นสุขแล้วก็สอนให้เราไปหา สิ่งนั้นเมื่อเราหาแล้วเราก็จะได้ความทุกข์จากสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นความทุกข์แต่เขาเห็นว่าเป็นความสุขเช่นเงินทองลาบยศสรรเสริญทุกคนในโลกนี้จะเห็นว่าเป็นความสุขกันทุกคนอยากได้เงินได้ทองกันทุกคนอยากได้ยศกันทุกคนอยากได้สรรเสริญ ทุกคนอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ทุกคนไม่เห็นคือความทุกข์ที่เป็นเหมือนเงาที่จะตามตามความสุขมาราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นเหมือนเงาที่เรามองไม่เห็นกัน จะเห็นต่อเมื่อเราได้เข้าไปล่วงล้ำเข้าไปเอาเขามาครอบครองเป็นสมบัติของเราแล้วเท่านั้นอพอเขามาเป็นสมบัติของเราเราถึงจะมารู้ในภายหลังว่าเขาทําให้เราทุกข์กันที่เขาทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดอ วันดีเกินดีเขาก็หยุดให้ความสุขกับเราได้คือวันดีเกินดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะจากเราไปพอเขาเปลี่ยนไปจากไปแทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขาก็เลยให้ความทุกข์กับเราดีคือสิ่งที่ปุถุชนอย่างพวกเรามองไม่เห็นกันคือมองไม่เห็นความทุกข์ ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราเห็นด้านเดียวเห็นด้านของความสุขเห็นความสุขในลาบยศสรรเสริญเห็นความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะเราก็เลยพุ่งชีวิตจิตใจทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพัฒนาแล้วเราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่ราบยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผุดพัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเสื่อมหมดไปเวลานั้นเราก็เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับกันบางครั้งก็ถึงกับข่าตัวตายกันนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไม่เห็นว่ามันสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความทุกข์เราเห็นส่วนที่เป็นความสุขเราเห็นตอนที่เราได้ลาบยศสารเสริญเรามีความสุขกัน เวลาได้เงินได้ทองมาเราดี อ, อกดีใจกันเวลาได้ยศได้ตำแหน่งเราดี อ, อกดีใจกันเวลาได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินยอเราดี อ, อกดีใจกันเวลาเราได้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปริ่มรส ด, ดมกลิ่นเราจะรู้สึกมีความสุขใจกันแต่เราไม่ได้มองไปถึงตอนที่เรา ไม่สามารถมีมันหรือ้อรือตอนที่เราสูญเสียเขาไปเวลาที่เราเสียเงินทองไปหมดนี่เราจะยิ้มไม่ออกความสุขจะไม่ออกมาละจะมีแต่ความทุกข์เคยมีเงินเป็นล้านแล้ววันดีเกินดีเงินล้านนั้นก็หายไปหมดเคยได้ยินข่าวของคนทีู่กลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนไหม เป็นคนจนไม่เคยมีเงินมีทองพอถูกค็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหลายล้านก็ใช้อย่างสุรุ่ยสุรา่ายใช้อย่างใช้ตามความอยากความต้องการระยะไม่ไม่ถึงปีเงินที่ได้ม า, าจากรางวัลนนะั้นก็หมดไปอพอหมดที่นี้ก็เลยเกิดความเสียใจขึ้นมา อันนี้เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะหมดคิดว่าจะมีมาเรื่อยๆแต่การถูก ร, ตตรัตติลี่นี่มันเป็นสิ่งที่บังเอิญหรือสิ่งที่เออ่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ซื้อซื้อรัตตรี่ทุกครั้งเราจะถูก ร, ตตรัตติรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนที่ซื้อแล้วอาจจะคิดว่าซื้อต่อไปก็จะถูกอีกก็เลยคิดว่าจะมีเงินล้านเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ไม่เคยคิดว่ามันอาจจะไม่เข้ามาก็ได้แล้วเงินที่เรามีเราใช้แบบไม่ยับยัง้งมันก็หมดได้พอหมดแล้วเราก็กลับไปยากจนเหมือนเดิมไปทุกข์เหมือนเดิม น, นี่คือสิ่งที่เราไม่คิดกันเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราได้มานี้จะมีวันหมดไปได้จะมีวันเปลี่ยนไปได้ เช่นคนที่เรารักเราอยากได้เขามาเป็นแฟนเราก็คิดว่าเขาจะรักเราไปตลอดเขาจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่พอเราได้เขามาแล้วมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาอาจจะรักเราใหม่ๆสี่ห้าเดือนแรกเอาอกเอาใจเราแล้วต่อมาเขาก็เริ่มเบื่อเบื่อเรา เริ่มไม่สนใจเราอันนี้เขาก็จะไม่รักเราเหมือนที่เขาเคยรักเราพอเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ทุกข์จากสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรานี้เองเพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำาภาษาพระทัานเรียกว่าอานิจจัง เมื่อมันเป็นอ น, นิจรังมันก็จะต้องทุกขังมันจะต้องทำให้เราทุกข์เวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้มาหมดไปความสุขที่ได้มาเปลี่ยนไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปุจุชนจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสญ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ว่าเป็นสุขกันจะไม่ว่าเป็นทุกข์กันจึงไม่กลัวราบยศ ส, สรรเสือไม่กลัวรูปเสียงกลิ่นลดผดต่อพระทัทง้ท ง, ทงที่รูปเสียงกลิ่นลดผดต่อพระและราบยศ ส, สรรเสืนี้เป็นเหมือนงูพิษเป็นเหมือนงูเหา่าแต่พวกเรากลับไม่กลัวมันเพราะมันเป็นงูงูเห่าที่น่ารักเวลาได้มาใหม่ๆโอ้ยมันมัน ลักเรามันอะไรกับเรามันเล่นกับเราไม่กัดเราเราก็เลยคิดว่ามันน่ารักแต่พอวันดีเกินดีเราเผลอไปเหยียบหางมันเข้ามันก็กัดเราทันทีพอกัดเราทีนี้มันก็ทําให้เราตายได้นนี่คือลักษณะของความเห็นของพวกเรา ของปุตุชนปุตุชนนี้จะมีมิจฉาทิฏฐิเต็มอยู่ภายในหัวใจเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ก็เลยไปคว้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเพราะคิดว่าจะให้ความสุขแบบถาวร ความสุขที่ไม่มีวันหมดความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดแต่ความไม่เที่ยงมันจะมาขัดแย้งกับความเห็นของเราพอเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราได้มามันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วพอมันกลายเป็นอย่างอื่นไปความสุขที่เราเคยได้จากสิ่งนั้นมันก็หายไป สิ่งที่เราได้มาใหม่ก็คือความทุกข์ใจความเสียใจ น, นี้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เห็นความจริงเพราะท่านมีตาในที่สว่างท่านเห็นว่าการที่เราไปหาความทุกข์จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะทำให้เราต้อง กลับมาเวียน่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราหาเราได้มามากน้อยเทีางหร่เราก็จะไม่อิ่มไม่พอรเราได้สิ่งนี้มาถ้าสิ่งนี้เสียไปหมดไปเราก็ไปหาอันใหม่มาแทนอหาเงินมาได้พอใช้เงินหมดเราก็ไปหาเงินใหม่กันเราจะไม่หยุดหาเงินเพราะเราจะต้องจะเอาเงินนี้เป็น เครื่องมือซื้อความสุขต่างๆนั่นเองพอเงินหมดถึงแม้จะทุกข์กับการหมดเงินเราก็ไม่เข็ดลาบเราก็ยังกลับไปหาเงินใหม่เวลาหาเงินเราก็ต้องทุกข์กับการหาเงินพอได้เงินมาพอใช้เงินไปหมดเราก็ต้องทุกข์อีกเพราะไม่มีเงินใช้เราก็ต้องกลับมาหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับยศ สรรเสริญน้าความสุขทางตาหูจมูกร่างกายเราหาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปแล้วก็ไปหามาใหม่ทําอย่างนี้ไปจนถึงวันตายตราบใดที่เรายังมีกำลังวางชาที่จะหาสิ่งเหล่านี้ได้เราจะไม่หยุดหามัอนจะหยุดต่อเมื่อเราหมดกำลังแล้วเช่นเวลาแก่แวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตายเท่านั้นแล้วก็เป็นเวลาที่จะให้ความทุกข์กับเรามากที่สุดเพราะเป็นเวลาที่เราจะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้นั่นเองเราจึงต้องทนทุกข์ทรมานไปจนวันตายแล้วพอตายแล้วเราก็จะกลับมาหามันใหม่ เราจะกลับมามาหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาหาราบยศสันลเสือนอีกมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกเพราะว่าความอยากที่พาให้เรามาหาสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันไม่ได้หมดไปกับการที่เราได้สิ่งต่างๆต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ความอยากที่จะได้นี้ไม่มีวันหมดถึงแม้สิ่งที่เราได้มายังไม่หมดเราก็ยังไม่พออยู่นั่นเช่นเราได้มาแสนหนึ่งเราก็ยังอยากได้อได้แสนแล้วก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็ยังอยากจะได้สิบล้านทั้งๆ ท, ที่เงินที่เราได้มายังใช้ไม่หมดแต่ความอยากได้นี้มันไม่มีวันหมดะหมดก็ต้องหาะ แต่ไม่หมดก็ยังหายังอยากได้อยู่เช่นเดียวกับยศกับตําแหน่งต่างๆได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้เรื่อยได้สูงเท่าไหร่ก็ไม่พอได้จนกระทั่งมันไม่มีที่จะได้แล้วนั่นนะถึงจะหยุดเช่นถ้าเป็นทหารก็พอได้เป็นนายพลได้เป็นผอบเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้ว ไม่มีขั้นที่จะสูงกว่านั้นแล้วก็ต้องหยุดแต่ใจยังไม่หยุดความอยากได้ยังไม่หยุดเมื่อความอยากยังไม่หยุดความทุรนทุรายของใจก็ยังไม่หมดถึงแม้จะได้อะไรมามากมายมากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขของใจก็ยังไม่ก็ความทุกข์ความดินนนของใจก็ยังไม่หมดนี่คือเรื่องของความทุก ที่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นความสุขกันเราจึงต้องทุกข์กันเราจึงต้องร้องห่มร้องไห้หลั่งน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังหรือว่าสถานภาพของพวกเหล่านี้มืดบอดอย่างไร ส่วนสถานภาพของพระพุทธเจ้ากับของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกนี้ท่านมีตามีดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมความจริงเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปทำให้มันเที่ยงได้มันจะไม่เที่ยงต่อให้เราพยายามทำยังไง ดูแลรักษามันอย่างไรให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสารโลกเห็นกันท่านเห็นสัจธรรมความจริงของโลกนี้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขัง เมื่อไม่เที่ยงก็จะทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอนัตตาเราทำให้มันเที่ยงไม่ได้มันไม่ยึดอยู่ในความสามารถที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้นั่นเองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราเปิดตาในขึ้นมาให้เรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ตอนนี้เรามีดวงตาเห็นโลกไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราเห็นโลกเห็นโลกอะไรเห็นโลกกระทำแปดนั่นเองเห็นเห็นลาบยศสารเสริญสุขว่าเป็นสุขอย่างยิ่งสุดยอดของการของความสุขก็อยู่ที่ลาบยศสารเสริญสุขนี้เองคนเราทุกคนเกิดมานี้ก็แสวงหาราบยศสารเสริญสุขกัน โดยคิดว่ามันเป็นสุขนั่นเองหารู้ไม่ว่ามันเป็นทุกข์ <c oughs> มีพระอริยะเจ้ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้ากับพระอริยะสงสาวกทุกรูปนี้ท่านไม่แสวงหาลาภยศสรเสริญท่านไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายท่านแสวงหาความสุขที่ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ความสุขที่อยู่ในใจความสุขที่อยู่ในใจนี้เป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ในร่างกายความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับได้ควบคุมให้มันเป็นความสุขที่ถาวรได้ อันนี้ก็เป็นความสามารถหรือความรู้ของพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกนั่นเองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีองค์ใดองค์หนึ่งนี้ท่านทําหน้าที่ได้เหมือนกันสอนเราได้เหมือนกันะ ตอนนี้เราไม่สามารถหาพระพุทธเจ้าได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านจากเราไปนานแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เรายังเข้าหาเป็นที่พึ่งได้เข้าหาไปเข้าหาเพื่อจะยึดท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนให้พวกเรารู้จัก วิธีหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนอหาความสุขที่เป็นของเราอย่างแท้จริงและจะทำให้เราเมื่อเราได้พบกับความสุขอันนี้แล้วะจะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอดังนั้นเราจึางต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ เมื่อเราถือแล้วเราก็ต้องไปศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การถือเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรถือว่าเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างชาวพุทธของเราส่วนใหญ่มักจะถือเฉยๆกันแต่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคําสอนเพราะว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยที่เป็นชาวพุทธนี้อถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นครูเป็นอาจารย์อย่างจริงจังก็จะต้องศึกษาคำสอนของท่านแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสอนถ้าปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยนี้จะไม่จะหายไปเกือบหมดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีคืออบายามุกทั้งหลายจะไม่มีในประเทศไทยคุกตารางก็จะไม่มี ทุกคนไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลผิดธรรมทุกคนไม่เสพอบายามุกสถานบันเทิงต่างๆเอี๋ยวว่าสุราลงดื่มสุรายาเมาบารผับต่างๆสถานที่ เ, เสพกามประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่มีในประเทศไทย พราะประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธประชากรส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธกันแต่เป็นชาวพุทธแบบไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังเชื่อแบบเข้ารบเท่านั้นเองไปวัดกันไปกราบพระกันจุดธูปเทียนถวายดอกไม้ธูปเทียนไปเพื่ออะไรไปเพื่อขอกัน <imen ode> ขอสิ่งต hmm um> ่างๆจากพระพุทธเจ้าก <men S 1> <men> ันขอจากพระพุทธรูปกันใครอยากร่ำรวยอยากรวยก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าใครอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าใครอยากได้แฟนก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าใคอยากได้ลูกก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าใครอยากจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอจากพระพุทธเจ้า นี่คือนักษณะของชาวพุทธของพวกเราที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งคือไม่สอนให้เราขอพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราขออะไรจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ข, ขอในสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกข์ขอไปทําไมขอลาบยศเสริญเส ร, ริญจากพระพุทธเจ้าทําไม ในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นอง์สอนว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยอย่าไปขอลาบยศสรรเสริญอย่าไปขอความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ให้แล้วก็ไม่มีจะให้ด้วยแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะให้เราด้วยเพราะของพวกนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษกับเราท่านสอนให้พวกเราอย่าไปหามันอย่าไปต้องการมัน แต่ที่เราไปต้องการไปขอจากพระพุทธรูปก็คือเราหลงกันเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระอริยสงสาวกอย่างแท้จริงการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องเข้าหาด้วยการศึกษาศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือศึกษาจากพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้ หรือศึกษาจากพระอริยสงสาวกก็ได้ตอนนี้เราก็เหลืออยู่สองแหล่งที่เราไปศึกษาได้คือหนึ่งจากพระทาคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นความเชื่อว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงได้มีการบันทึกมีการจดจำและถ่ายทอดกันมาต่ออย่างต่อเ น, นื่องจนถึง ยุคปัจจุบันนี้เราเชื่อได้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก็เหมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้คือศึกษาจากพระธรรมคำสอนส่วนการศึกษาจากพระอริยสงสารมุนี้อาจจะยากหน่อย ยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าพระอริยสงสาวกนี้เป็นใครบ้างเพราะไม่มีการลงทะเบียนจดชื่อกันเอาไว้พระสงฆ์พระที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้มีทั้งพระที่เป็นพระอริยสงสาวกน่ามีพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยสงสาวกก็ออยังเป็นปุถุชนคนธรรมดา คนที่ยังหูหนวกตาบอดเหมือนตอนที่ยังไม่ได้บวชการมาบวชนี้ไม่ได้เป็นการผลิตพระอริยสงฆ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติการบวชนี้เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีตาที่มืดบอดได้เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมา แต่ในทางความเป็นจริงนี้เราไม่มีวิธีวัดความสามารถของพระที่มาบวชว่าเป็นพระอริยสงสาวกหรือไม่ไม่เหมือนกับทางโลกที่เขามีเครื่องวัดเช่นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนที่เขาจะให้ปริญญาเขาก็จะต้องมีการให้สอบก่อนสอบ ถ้าสอบผ่านเขาก็มอบป ร, ริญญาบัตรให้ว่านี่ได้มีความรู้ระดับป ร, ริญญาตีแล้วแต่ในทางธรรมนี้ออก็มีเหมือนกันแต่เป็นการให้แบบที่ยังไม่ถือว่าเป็นการวัดอย่างแท้จริงคือในภาควิชาการเรียนที่เรียกว่าปริยัติธรรมสมัยนี้เขาก็เอาคำมักคำสอนของพระพุทธเจ้า มาคัดเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็นชั้นชั้นนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกเอาความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาใส่เป็นหลักสูตรนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ให้พระที่มาบวชนี้มาศึกษามาเรียนแล้วมาเรียนแล้วก็ให้เอาไปจดจําให้เอาไปปฏิบัติ แต่เวลาที่ทดสอบนี้เขาทดสอบได้เพียงแต่ขั้นที่ว่าจดจาได้หรือไม่เท่านั้นไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติว่าไดา้ได้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่เวลาที่เขาทดสอบว่าได้จบนักทมตีนักทมโทนักทมเอกเขาก็าทำเหมือนกับทางโลกคือให้สอบข้อเขียนกันมีข้อเขียนให ให้มีคำถามแล้วให้ตอบถ้าตอบคำถามถูกก็ถือว่าผ่านถือว่ารู้รู้วิชานี้แต่ทางธรรมนี้การรู้เฉยๆนี้ยังไม่เพียงพอรู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติได้ถึงจะถูกเช่นรู้ว่ามีทุดงขวัตกี่ข้อทุดงขวัตมีสิบสามข้อมีอะไรบ้างท่านก็ตอบได้หมด เช่นบินทบาดเป็นวัดเป็นกิจวัตรประจาฉันในบาทเป็นวัดฉันนมือเดียวเป็นวัดนี่อยู่ป่าเป็นวัดนี่อันนี้เป็นกิจวัตรคำว่าวัดก็คือกิจวัตรแล้วเวลาดูการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างที่ท่านรู้หรือเปล่าท่านบินธบดเป็นกิจวัตรหรือเปล่า ท่านฉันมือเดียวเป็นกิ จ, จวัตรหรือเปล่าเออเท่าฉันท่านฉันในบาศเป็นกิ จ, จวัตรหรือเปล่าเ อ, อท่านอยู่ป่าเป็นกิจจวัตรหรือเปล่าเอ อ, อันนี้แหละถึงจะวัดได้ว่าเป็นผู้ที่รู้จริงและทําได้ตามที่ที่ได้เรียนรู้มาศาสนาพุทธนี้ท่านวัดด้วยการปฏิบัติไม่ได้วัดด้วยการด้วยการจําได้ะ การเรียนรู้เพื่อจําได้ก็สําคัญแต่ไม่ยังไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมหรืยอยังผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยจะวัดได้ด้วยการปฏิบัติเนี่ยท่านเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นท่านยังไปหาสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าะท่านยังหายศในสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่า อย่างในสถาบันสงฆ์ของเรานี่ก็ยังมียศให้ให้แก่งแย่งชิงดีกันมีระดับหลายระดับระดับพระครูระดับเจ้าฟ้าเจ้าคุณระดับสมเด็จระดับสังฆราชถ้าท่านเรียนรู้ว่ า, ายศเป็นทุกข์แล้วท่านยังไปหากันทำไมยังไปมีกันทำไมทำไมไม่มีใครปฏิเสธกันสักองคอ์อันนี้ก็แสดงว่า รู้จริงแต่ปฏิบัติไม่จริงรู้ว่ายศเป็นทุกข์รู้ว่าลาบเป็นทุกข์ทำไมรับลาบกันรับลาบกันทำไมอยากได้ลาบกันอันนี้ก็แสดงว่าการที่จะวัดพระอริยสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่ยากจึงไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยสงฆ์ใครไม่เป็นพระอริยสงฆ์ ผู้ที่จะรู้ได้ก็คือผู้ที่ได้ไปศึกษาอย่างใกล้ชิดเนได้เห็นความประพฤติปฏิบัติว่าสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติและสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติสามารถทำให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิ่นรดพธพาะมาให้ความสุขกับเราอันนี้ถึงจะถึงจะรู้ได้ว่าท่านเป็นพระอริยรสงสาวกนั้นการที่จะเข้าหาศึกษาจากพระอริยรสงสาวกจริงๆนี้จึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาค้นคว้าสอบถามอาศัยปากต่อปาก เพราะของเหล่านีา้ก็สามารถที่จะสอบถามคนที่เรารู้จักได้หรือไม่รู้จักก็สามารถถามกันได้ค้นคว้าได้แต่จะไปเหมาว่าพระทุกรูปที่มาบวชนี้เป็นพระอาริยรสงสาวุกที่เราที่จะเอาศัยให้ท่านเป็นผู้สั่งสอนผู้ที่พาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้อันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีพระอาริยมีพระสงฆ์ในเมืองไทยอยู่เป็นหลายแสนรูปแต่มีกี่รูปที่เราจะถือว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราได้นี้อันนี้เราจะต้องไปค้นคว้าหาเอาเองวิธีที่เราจะค้นคว้าได้วิธีหนึ่งก็คือขั้นต้นเราต้องศึกษาพระธรรมคําสอนจากพระพระไตรปิฎกก่อนเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร สอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้เช่นท่านจะสอนให้เร า, เาทำทานรักษาศีลภาวนาเมื่อเรารู้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปลองไปศึกษากับพระรูปต่างๆเพราะบางทีเรายังไม่รู้รายละเอียดเรื่องของการทำทานว่าทำอย่างไรถึงจะถูกรักษาศีลรักษาอย่างไรถึงจะถูก ภาวนาอย่างไรถึงจะถูกภาวนาแล้วทำอ ย, อย่างไรถึงจะทำให้จิตบุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้แะเป็นเวลาที่เราจะต้องอไปเลือกหาครูบาอาจารย์ต่างๆลองไปตามสำนักต่างๆที่เราอาจจะได้ได้ยินขาล่าหรือว่าเป็นสำนักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่วัดนั้นๆอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติไปศึกษาจากท่านแต่อย่างน้อยเราไปแบบมีความรู้ติดตัวไปเรามีเครื่องวัดติดตัวไปเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าติดตัวไปแม้นจะไม่เป็นคำสอนที่ละเอียดแต่เป็นคำสอนที่เรา รู้อย่างคร่าวๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เช่นท่านสอนมัคแปดสอนอริยสัจสี่สอนไตรลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาสอนทุดงขวัต ส, สอนการปีกวิเวกสอนการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องเหล่านี้เราต้องศึกษาก่อนจากพระไตรปิฎก หรือหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วเราก็ต้องลองปฏิบัติก่อนด้วยแล้วเราถึงจะรู้ว่าคำสอนเหล่านี้ที่เราได้ศึกษานี้มีคุณประโยชน์อย่างไรมีหน้าที่อย่างไรเพราะคำสอนต่างที่สอนนี้มันเป็นเหมือนขั้นบันไดคำสอนนี้จะสนับสนุนคำสอนขั้นต่อไป ให้เรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปให้เราลดปริมาณของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปตามลาดับสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาเองได้ปฏิบัติเองได้สิ่งที่เราอาจจะศึกษาและปฏิบัติเองยากได้ยากก็คือขั้นภาวนาขั้นทานขั้นศีลนี้น่าจะเป็นขั้นที่ เราพอที่จ ะ, ะปฏิบัติไปได้เวลาเราทำบุญทาทานเราทำเพื่ออะไระเราทำเพื่อละความยึดติดในข้าวของเงินทองต่างๆเราต้องการที่จะเลิอกอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขหรือเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจ เพราเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรดับได้ชั่วคราวเช่นเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปจัดงานปาร์ตี้กันไปชอปปิ้งกันพอเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจเราก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานมันก็กลับมาใหม่ ต่อให้เราทำใช้เงินมากน้อยเท่าไหร่เราก็จะไม่สามารถความทุกข์ใจที่มันยังมีที่เรายังไม่ได้กำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องได้มันก็ยังจะอยู่กับเราไปเรื่อยวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจที่เกี่ยวข้องกับเงินทองก็คืออย่าไปใช้เงินทองถ้าใช้เงินทองก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้เช่นใช้ไว้สำหรับเลี้ยงชีพ อย่างนี้จำเป็นจะต้องมีเงินทองถ้าเรายังไม่ได้เป็นนักบวชถ้าเรายังไม่มีคนเข้าสนับสนุนเราเราก็ยังต้องสนับสนุนตัวเราเองอยู่เราก็ต้องมีเงินทองก้อนนี้ไว้สำหรับเลี้ยงชีพแต่อย่าเอาเงินทองไปซื้อของต่างๆไปดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันไม่ดับหนระหรือว่าถ้ามีเงินทองมากไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็ เอาไปทำบุญทำทานจะดีกว่าเพราะการทำบุญทำทานนี้จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเอาเงินทองไปเที่ยวมันจะทำให้เราติดความติดการเที่ยวแล้วมันจะทำให้เราต้องไปหาเงินทองมาเที่ยวอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อมาดับความทุกข์ถ้าเรายังต้องหาเงินทอง เพื่อเอามันทองมาดับความทุกข์เราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะมาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ก็คือการมานักษาศีลขั้นสูงคือศีลของนักบวชและการภาวนาการปฏิบัติธรรม อันนี้เราต้องมีเวลาถ้าเราต้องใช้เงินใช้ทองต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาะรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองรอยิบเจ็ดได้เราจะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันได้ดังนั้นเราต้องพยายามเลิกใช้เงินให้ได้เมื่อเราเลิกใช้เงินได้เราก็ไม่ต้องหาเงินหรือถ้าหาก็หาเฉพาะ แค่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือปัจจัยสี่เท่านั้นเองเราก็จะไม่ต้องหามากเราอาจจะทำงานอาทิตย์ละวันสองวันก็พอแล้วเราก็จะมีเวลาว่างที่เราจะได้ไปรักษาศีลแปดไปภาวนาได้นี่คือเรื่องของการทำทานคือถ้าเราจะเอาเงินที่ ถ้าเราหามาได้นี้เอาไปใช้ดับความทุกข์ก็เอาไปดับด้วยการทําบุญทําทานจะดับได้ดีกว่าการเอาไปซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆหรือการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพราะมันจะทําให้เราติดและจะทําให้เราต้องหามาอยู่เรื่อยๆทั้งทาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปทําบุญแล้วมันก็จะจบพอเงินหมดเราก็ไม่ต้องทําอะไร แล้วความอยากเที่ยวความอยากอะไรที่มันก็จะไม่มีเราก็จะอยู่เฉยๆได้หรือเราก็จะไปปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องมาติดกับการที่จะคอยหาเงินหาทองเพื่อเอามาใช้ใจ่ายดับความทุกข์ใจต่างๆที่ดับยังไงก็ไม่มีวันหมดคือเราต้องเลิกใช้เงินทองไปในทางที่ผิดคืออย่าเอาเงินทองนี้ไปใช้ดับความทุกข์ใจ เอาเงินทองนี้เก็บไว้ใช้สําหรับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเอาไปทําบุญทําทานถ้ามันมีเป็นภาละไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมก็เอาไปทําบุญทําทานเป้าหมายก็คือเพื่อให้เราจะได้มีเวลาไปรักษาศีลและไปภาวนานั้นเองการที่เราต้องรักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่น ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็ยังไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนามาฝึกจิตมาทำจิตให้สงบมาควบคุมความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่มีที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปนี่นี่ก็คือ สิ่งที่เราสามารถที่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกได้จากหนังสือได้แล้วก็ปฏิบัติเองได้ในระดับหนึ่งแต่พอเข้าสู่ขั้นระดับปฏิบัติแล้วเนี้ยควรจะมีผู้ที่รู้วิธีปฏิบัติเพราะท่านจะรู้ทางลัดที่เราไม่รู้กันท่านจะรู้แนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้แต่ต้องอาศัยการลงทุน คือเราจะปฏิบัติแบบสบายสบายไม่ได้ถ้าอยากจะไปเร็วอยากจะไปได้ผลเร็วอันนี้จะต้องลำบากเจะต้องมีการทรมานกิเลสด้วยวิธีการต่างๆอดนอนบ้างอดอาหารบ้างหรือให้เดินจงกรมเป็นเวลาอันยาวนานนั่งสมาธิเป็นเวลาอันยาวนาน มันถึงจะบีบถึงจะฆ่ากิเลสได้ถ้าเดินกันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนั่งกันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนี้กิเลสมันไม่กลัวกิเลสมันไม่ตายเอถ้าเดินกันทีสามสี่ชั่วโมงนั่งกันทีสามสี่ชั่วโมงเนี่ยกิเลสมันจะตายอันนี้เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ไปศึกษากับผู้ที่ได้ปฏิบัติได้รับผลจากการปฏิบัติแบบนี้มา เราอาจจะถูกกิเลสอกว่าเรากําลังออะไรเนี่ยเาเรียกว่ า, าสุดตรงนะพอนั่งสมาธินานหน่อยก็ว่าสุดตรงพออดข้าวสักวันหนึ่งก็ว่าสุดตรงอพอเดินจงกรมหลายชั่วโมงก็หาว่าสุดตรงนะ อ, อันนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าสุดตรงของพวกเรานี้ยังถือว่าไม่ใช่สุดตรงของผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปหาครูบาอาจารย์กันไม่เชนั้นแล้วเราสู้กลมายาของกิเลสที่มันจะหลอกเราไม่ได้พอเราจะเอาจริงเอาจังกับมันมันก็หาว่าเราสุดโตง่งเราต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ฆ่ากิเลสด้วยวิธีต่างๆแล้วเอาวิธีการที่ท่านฆ่ากิเลสนี้มาใช้มาเราถึงจะเห็นผลเราถึงจะเห็นว่ากิเลสนี่มันตายได้อย่างไร นี่คือเรื่องของการหาพระอาริยสงฆ์มาเป็นครูเป็นอาจารย์เบื้องต้นเราก็ต้องหาจากพระธรรมก่อนศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกก่อนเพื่อเราจะได้รู้แนวแนวทางแบบกว้างๆว่าเป็นมีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีภาวนา มีสมถภาวนาวิปัสนาภาวนามีการภาวนาศีลจะต้องเป็นศีลอะไรถึงจะใช้ในการภาวนาศีลห้าก็ไม่พอถ้าอยากจะภาวนาก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็สถานที่ก็ต้องสถานที่แบบไหนอต้องไปสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่มีกาไม่มีคนพุกพล่านอ ไปอยู่ที่ที่สงบถึง แ, แม้ว่าจะอยู่ในวัดก็แยกกันอยู่ไม่มาคลุกคลีกันจะมาร่วมกันก็ทําแต่เวลามีกิจที่จะต้องทําร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารมาช่วยกันทําความสะอาดก็มาร่วมกันอแต่พอเสร็จภารกิจเหล่านี้แล้วก็ให้แยกกันไปปิกวิเวกที่ใครที่มันแล้วก็ เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพอที่จะเรียนได้จากพระไตรปิฎกหรืออ่านอ่านจากหนังสือของพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านร่วงรับไปแล้วก็ได้เช่นหนังสือของหลวงตามหาบัวท่านก็มีเขีนหนังสือไว้ยเยอะเช่นหนังสือที่ตอนนี้แจกให้ญาติโยม เพิ่งหมดไปนัะ้ปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานอันนี้ท่านก็จะเขียนวิธีปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ต่างๆพระที่ท่านเขียนนี้ปฏิปทาของพระที่ท่านดำเนินนี้เป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นคนไปไปสัมภาษณ์ไปสนทนาไปสอบถามโดยตรงด้วยตัวท่านเองท่านไปไปกราบครูบาอาจารย์รูปนั้นแล้วก็ไปสนทนา ถามเรื่องของการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรบางอย่างท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นแล้วพอมาได้ยินได้ฟังจากปากของท่านโดยตรงก็จะได้รู้ว่าตรงกันหรือไม่ท่านก็จะได้บันทึกเอาไว้แล้วท่านก็อ่านสารเขียนเป็นหนังสือถ่ายทอดลงเป็นหนังสือให้พวกเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ล่ําเรียน หนังสือที่หลวงตามหมาบัวเขียนมีอยู่หลายเล่มเป็นหนังสือหรือธรรมที่ท่านแสดงไว้มีอยู่หลายเล่มแต่หนังสือที่สําคัญสําคัญมีอยู่สองเล่มคือประวัติหลวงปู่มัน่นกับปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นอันนี้จะเป็นหนังสือที่เหมาะต่อผู้ที่สนใจต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง สืประวัติของหลวงปู่มั่นนี้จะแสะดงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาถ้าได้ศึกษาได้อ่านประวัติหลวงปู่มัน่นเรานี้จะทำให้เรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วส่วนหนังสือปฏิปทานี้ท่านก็เน้นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสตัณหา เพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆของพระแต่ละของพระอริยสงฆ์แต่ละรูปพระอริยสงฆ์แต่ละรูปนี้ท่านก็มีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันบางท่านท่านก็ทรมาน ก, กิเลสด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกันบางท่านท่านก็เดินจงกรมหลายๆชั่วโมงบางท่านก็ต้องไปอยู่ในป่าช้า บางท่านก็ต้องไปนั่งสมาธิหที่หน้าปากเขีวบางท่านก็ไปนั่งสมาธิที่มีเสือเดินผ่านเพื่อที่จะได้เป็นอุบายที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสมางบเนื่องแต่ละองค์นี้ท่านจะฝึกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เอามาบันทึกเอาไว้ให้พู้อนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเราผู้ที่ปรารถนาการดูดพ้นจากความทุกข์ จะได้รู้จากวิธีการปฏิบัติต่างๆของพระอริยสงฆ์แต่ละรูปว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรแล้วเราก็จะได้เลือกเอาวิธีที่เหมาะกับจริตของเราเอ่นี่คือเรื่องของพระอริยสงฆ์เป็นพระเหมือนกันเป็นพระที่นุ่งห่มเหลืองนุ่งห่มเหลืองเหมือนกันกับพระทุกลูกแต่เหมือนกันที่ร่างกาย แต่ภายในใจนี้ไม่เหมือนกันจะรู้ใจของท่านก็จะต้องเข้าหาคําสอนของท่านรัการที่เราจะรู้ว่าคําสอนของท่านนี้จริงหรือไม่จริ ง, ต, сь, ต, รง ต, ตรงต่อหรือตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เราก็ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนเรียนจากพระไตรปิฎกก่อนเรียนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก่อนไม่ต้องเรียนหมดทั้งพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถึงแม้จะมี อยู่ถึงแปดหมื่นกว่าบทนี่แต่คําสอนนี้จะสรุปได้ง่ายๆอยู่สองคอยู่สองคำสอนก็คือท่านจะสอนเกี่ยวเรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์หรือสอนเรื่องอริยรรสัจสีทั้งนั้นทุกข์เกิดได้จากอะไรทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาทุกข์ดับได้ด้วยอะไรทุกข์ดับด้วยดับได้ด้วยมรรคมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญา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 นี่คือสิ่งที่เราจะต้องกำจัดและวิธีที่จะกำจัดก็คือมรรคก็ต้องมีศีลตอนต้นก็เริ่มที่ศีลห้าแล้วต่อไปด้วยศีลแปดถ้ายังไม่รักษาศีลห้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ทำทานทำบุญพอเรายังโลภอยากได้เงินได้ทองอยู่จึงทำให้เรารักษาศีลห้ากันไม่ได้ถ้าเราไม่โลภหาเงินหาทองเราก็จะหารักษาศีลห้าได้ง่าย นถ้าเรายังโลภอยากได้เงินอยู่พอได้เงินมาก็อย่าเอาไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเอาไปทำบุญให้หมดถ้าเอาไปทำบุญแล้วต่อไปมันก็จะไม่โลภอยากได้เงินแล้วมันก็จะทําให้เรารักษาศีลห้าได้นี่คือหน้าที่ของการทาทานทำบุญเพื่อทําให้เราหยุดโลภหาเงินหาทองเพื่อที่จะทําให้เรารักษาศีลห้าให้ได้ พอเรารักษาศี่ห้าได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรักษาสีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้เราก็จะไปภาวนาได้ไม่ฝึกสมถะภาวนาไปฝึกวิปัสสนาภาวนาได้ถ้าเราภาวนาได้ทั้งสองได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาเราก็จะได้วิมุตติได้ดูดพ้นจากกองทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรายึดถือเป็นสาณะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันว่าปฏิบัติอย่างไรงเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคาสอนจากพระไตรปิฎกก่อนสองเมื่อเรารู้เข้าๆแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเราต้องการรายละเอียดต่างๆอุบายต่างๆ เราก็ต้องไปหาพระอราิยสงสาวกที่จะช่วยแจกแจงที่จะแนะแนวทางของการปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นไปให้เราได้รู้จักแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ขั้นต่างๆนั่นเองมีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพาาระอรหันต์เมื่อได้ถึงขั้นพาาระอรหันต์ก็จะได้ดุดพ้นอย่างถาวรเมื่อได้ดุดพ้นถาวรก็เรียกว่านิพพานนั่นเองมรซีพผลซีนิพพานหนึ่งเป็นผลที่จะเกิดจากการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัณะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจึงต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธคือต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้อื่นเราก็ศึกษาได้เพราะถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้จากผู้อื่นอยู่ก็อาศัยไปแต่ขอให้รู้ว่าความรู้ของผู้อื่นนี้ดับความทุกข์ในใจเราไม่ได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ในใจอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องหาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจเป็นครูเป็นอาจารย์นำทางเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกับ ป, ปฏิอิชีตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตะวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวาอธิวาธนศีลิศะนิจังวุธาปจายโน จะตาโรธัมมวทาติอายุวะโนสุขังพาลังนำจับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อปัญหาธรรมเป็นคำถามเอ่อถามได้ในช่วงนี้เลยขอให้ถามได้ในคนเธอนเวลาที่เราได้กอบชุมกัน หลังจากเริ่มแล้วก็ขออนุญาตงดถามตอบกันฮะคือะนะถ้าอยากจะถามหลังมาน ก, ก็ไม่มีเวลาถามได้เฉพาะช่วงเย้าวันี้ถ้าไมอยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้าม า, ะนะามก็ไเดี๋ยวทางผููประกาศจะอ่านให้ฟังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับาวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาทั้งหมดสามร้อยสาสิบเก้าคนมีสัญญาณหลุดช่วงหนึ่งครับ ก็เลยทำให้เชื่อมต่อใหม่ก็เหลืออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองคนทาง Youtube เข้ามาทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คนวิทยุออนไลน์สามสิบสองคนผู้รับฟังบนเขา ว, วันนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบเก้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดิบสี่คนครับผมใช่ค่ะพราา้อาวุโสที่ท่านเทศก็คื อ, เ, อ, อเทศเรื่อง อาทานศีลภานนวนาขอคำแนะนำในแนวทางที่ว่าจะเป็นการศึกษาและการสังเกตได้ที่บ้านว่าภาวนาอย่างไรถึงจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องค่ะ อ, อคําถามแบบนี้มันต้องไปอ่านที่เราเทศอยู่หลายหลายวันเนี้ไปติดตามอ่านดูให้มานั่งอธิบายตอนนี้ไม่มีเวลาพาอก อ, อ, อ, อให้ไปติดตาม เทศที่เราเทศให้ฟังทุกวันเนี่ยอย่างวันนี้ก็เทศก็สอนอยู่บางส่วน อ, อย่างจะให้มาพูด อ, อธิบายอีงนี่เวลาไม่พอจะถามจะตอบได้คําถามเฉพาะเรื่องอันนี้มันคุมทั้งทั้งทั้งระบบเลยถ้าอยากจะถามอะไรให้มันเป็นเฉพาะเรื่องก็ตอบได้แต่จะบอกให้ถามสอนเรื่องวิธีภาวานาแบบนี้มันต้องไป ดูย้อนหลังไปฟังย้อนหลังไปอ่านหนังสือ ต, ต่างๆที่ได้แจกไปเนี่นะฮะต้องค้นคว้าดูเอาต้องศึกษาเอาอแล้วมีเขาไม่เข้าใจตรงไหนแล้วไม่ค่อยมาถามนมีคําถามจาก youtube นะคะจากคุณนุย้ยถ้าฟังธรรมก่อนตายจะบรรลุโสดาบันได้ไหมเจ้าคะบรรลุได้ถ้าเวลานะีถ้าจะบรรลุได้แต่บรรลุไม่ได้เวลาไหนมันก็บรรลุไม่ได้ เพราะการบรรลุมันไม่ได้อยู่ที่การฟังอย่างเดียวมันอยู่ที่การปฏิบัติได้หรือไม่การเป็นโสดาบันก็คือยอมตายได้หรือไม่ยอมเจ็บได้หรือไม่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้หรือไม่ถ้าไม่กลัวได้ตอนไหนก็บรรลุได้ไม่ใช่จะเฉพาะตอนตายตอนตายมันดีตรงที่ว่ามันจะต้องบังคับจะต้องเห็นความตายก็จะได้รู้ว่ายอมตายหรือไม่ยอมตาย ถ้ายอมตายก็ไม่ในหมายความว่าว่าจะจะบรรลุ ก, ก็ได้เพราะคนที่ยอมตายแล้วไม่บรรเช่นตำรวจทหารเวลาเขาต้องไปทาศึกสงครามบางทีก็ก็ต้องยอมตายแต่ก็ยอมตายเพราะเขาถูกบังคับให้ยอมถ้าเขามีทางเลือกก็คงจะไม่ยอมถ้ายอมตายแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระโสดาบันแต่ถ้ายอมตายเพราะรู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่มัน เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายมันจะทุกข์มากนี่ไม่อยากจะทุกข์กับความตายก็ต้องยอมตายอย่างนี้ถึงจะเป็นโซดาบันคือต้องเห็นว่าเห็นทุกข์เห็นอริย ส, รสัจสเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ตายความอยากจะอยู่ดังั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตายแล้วก็เห็นว่าร่างกายยังไงมันก็ต้องตาย ถึงเวลามันก็ต้องตายห้ามมันไม่ได้งั้นยอมตายดีกว่าแล้วก็จะไม่ทุกข์อันนี้ต้องถึงถึงจะเห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้เห็นมีดวงตายเห็นธรรมไงเห็นว่าร่างกายมีเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็ต้องมีตายเป็นธรรมดางั้นอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะอยากแล้วมันก็ห้ามมันไม่ได้ความอยากไม่ตายไม่สามารถไปห้ามให้ร่างกายไม่ตายได้ ร่างกายก็ยังต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายเราจะทุกข์มากถ้าไม่อยากจะทุกข์มากก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายปล่อยมันตายไปคำถามจาก youtube กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอดีตเป็นอนัตตาพิจารณาอย่างนี้ถูกไม่ถูกหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่ถูกหรอกอดีตก็เป็นอดีตอดีตก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอานาคตก็เป็น เหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏอยู่ข้างหน้าปัจจุบันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนี้เกิดในปัจจุบันดงนั้นอนัตตานี้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เช่นธรรมชาตินี่ฝนตกแดดออกฟ้ารองคนตายคนแก่คนเจ็บนี้ห้ามมันไม่ได้แคมถามจากเฟ b บุ๊ กาบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะเคยทรมานจากการปวดหลังมามากกว่าสิบห้าปีแล้วหายด้วยโยคะแต่ฝึกกรรมฐ า, านแนวพองยุบพระอาจารย์ท่านไม่สนับสนุนให้ฝึกโยคะเวลาไปเข้าโครงการด้วยเหตุผลที่ดีคือท่านบอกว่าการที่เราฝึกโยคะแสดงว่าไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกจิตตอนนี้ รู้สึกสับสนมากเพราะไม่ได้ออกกำลังกายมาพักใหญ่ร่างกายรู้สึกเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ค่อยสดชื่นและน้ำหนักขึ้นหลายกิโลขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องหลวงตามหาบัวฝึกโยคะให้ฟังหน่อยค่ะเพราะรู้สึกสับสนมากและรู้สึกผิดถ้าจะฝึกโยคะค่ะอ๋อมันไม่ผิดหรอกกินข้าวก็เป็นการดูแลรักษาร่างกายอย่างหนึ่ง อาบน้ำอาบท่ามันก็เป็นการดูแลร่างกา ย, ยางั้นการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะมันก็เป็นการดูแลร่างกายทำให้มันเหมาะสมตามความต้องการของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทำได้ควบคู่กับการไปปฏิบัติประกอบปฏิบัติจิตจิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งร่างกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีสมบัติสองชิ้นไย มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจเราก็ต้องรักษาทั้งร่างกายทั้งจิตใจไปตามความเหมาะสมของมันร่างกายก็ต้องอตามแพทย์สมัยปัจจุบันเขก็ต้องบอกว่าต้องมี4อหนึอก็คืออาหาร2ออก็คืออากาศที่บริสุทธิ์สามออที่สก็คืออารมณ์ที่ดี อ, อที่4ก็คือออกกําลังกาย พราฉะนั้นเรามีร่างกายเราก็ต้องดูแลมันไปตามความต้องการของมันมันต้องการอาหารก็ให้อาหารมันมันต้องการลมหายใจก็ต้องหาอากาศหาใจที่สะอาดให้มันสูดมันต้องการอารมณ์ที่ดีอันนี้ต้องฝึกจิตแล้วก็ถ้ามันต้องการออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายวิธีต่างๆจะโยคะจะเดินจงกรม จะเต้นแอโรบิกอะไรก็สุดแท้แต่วิธีของการออกกำลังกายของแต่ละคนอันนี้ทางศาสนาไม่ขัดไม่ไม่ได้ห้ามให้ดูแลกรูบาอาจารย์ท่านก็มีการออกกำลังกายส่วนใหญ่พระท่านก็จะเดินเดินจงกรมเดินบินดบาบเป็นการออกกำลังกายบางเวลาแข่งขามันม้วยมันปวดบางทีก็ต้องยืดแข้งยืดขาอาจจะทาโยคะอาจจะใช้การบีบนวด อันนี้ก็เป็นการดูแลร่างกายที่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติอย่างนั้นการที่ไปบอกไปห้ามไม่ให้ดูแลร่างกายนี้ก็คิดว่าไม่ถูกทำได้ไม่ต้องกังวลเป็นดยาทำจนทั้งไม่มีเวลามาปฏิบัติภาวนาเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติภาวน า, วาวเราก็ต้องภาวนาถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์เราจะภาวนาได้อย่างไร ร่างกายล้วเจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลคอยรักษาร่างกายมันก็จะไม่ได้ภาวนาอยู่ดีนะคราคำถามจาก YouTube จากคุณจิราพภากรบาบธรรมสการนะคะหนูป ร, วราวณาเข้าพรรษาหนึ่งในสามของการป ร, วราวณาคือจะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันตลอดพรรษาแต่คือแต่คือนหนึ่ง ร่างกายเหนื่อยจึงพักหลับถึงเช้าเราผิดสัจจะต้องวางจิตอย่างไรคะที่ปราวณาไว้จะผิดไหมคะก็ไม่รู้ว่าคุณภาวน า, างไงถ้าผิดก็ผิดถ้าไม่ตรงกับที่คุณตั้งไว้มันก็ผิดสัจจะวิธีที่จะแก้ก็คือลงโทษตัวเองหรือชดเชยชดเชยเช่จนจะนั่งสมาธิวันนี้แล้วไม่ได้นั่งพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งสองเท่าอย่างนี้ มันก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่ไม่เสียหายมากเป็นการถ้าเราไม่ชดเชยไม่ชดใช้เลยมันก็จะทำให้เราขาดทุนนั่นเองการที่เราตั้งสัจจะเพื่อที่จะทำอะไรนี้เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์พอเราไม่ได้ทำเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์เราก็ต้องมาทำชดใช้ในภายหลังก็ได้จนเมาวานนี้ไม่สามารถทาได้วันนี้ก็เลยต้องทำสองเท่าของเมื่อวานนี้ คำถามจากอินบ็อกซ์นะคะแกรบนมัสการค่ะอยากเรียนถามว่าฝันเห็นผีเด็กบ่อยมากเกิดจากอะไรคะซึ่งเกิดมาไม่เคยทําแทงแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรจึงฝันเห็นบ่อยมากคะ่ะชาติก่อนอาจจะเคยทํามาก็ได้ของนี่มันฝังอยู่ในใจเรา <c oughs> มันไม่ได้หายไปกับการตายร่างกายตายไปแต่สิ่งที่เราทําอยู่นี่มันถูกฝังอยู่ในใจเรา มันอาจจะโผ่ขึ้นมาในพบไหนชาติไหนก็ได้องนั้นก็ให้รู้ว่ามันความฝันแล้วก็อย่าไปกังวลกับมันก็แล้วกันให้รู้ว่านี่แหละเป็นการทำบาปเวลาทำบาปแล้วมันก็จะฝันไม่ดีถ้าไม่อยากจะฝันไม่ดีก็อย่าไปทำบาปทำแต่สิ่งที่ดีทำบุญแล้วเวลานอนหลับมันก็จะฝันสิ่งที่ดีแต่เมื่อมันฝันเสร็จแล้วก็อย่าไปกังวลกับมัน ให้มันผ่านไปปล่อยวางของมันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดอย่าเอามาแบกแคมฐานจากยูทู e ฟังธรรมของพระอาจารย์มาระยะหนึ่งเข้าใจว่าเราฝึกสติสมาธิเพื่อสนับสนุนการใช้ปัญญาให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ในไตลรลักษ เมื่อเราเห็นความจริงด้วยใจโดยแท้ใจจะปล่อยวางคือบรรลุไปเองถูกไหมคะถ้าปล่อยวางก็บรรลุถ้าไม่ปล่อยวางก็ไม่บรรลุยังอยู่ที่ว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยปากว่าปล่อยแต่ใจไม่ปล่อยยังยังเก็บสามีไว้ยังเก็บลูกไว้อยู่ถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยแบบพระพุทธเจ้าก็ไปเลยทิ้งหวังไปเลยทิ้งลูกทิ้งภรรยาไปเลย อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปล่อยแต่ปากปากว่าปล่อยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ท่านไม่ยึดไม่ติดเขาหรอกแต่ขออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนอันนี้มันก็มันก็ขัดกับความเป็นจริงอความจริงยังอยู่ด้วยกันแต่ปากก็ว่าไม่ยึดไม่ติดไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วแต่ไม่รู้เดี๋ยวเกิดเวลาเขาเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่ไหนขึ้นมาดูที่จะทุกข์ขึ้นมาหรือเปล่าเอ คำ ถ, ถามจากอินบอสนะคะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะตามที่พระอาจารย์บอกให้ลองนั่งเฉยๆสักหชั่วโมงสามารถเปลี่ยนอริยาบทได้ไหมคะเช่นการนั่งจากเก้าอี้มานั่งกับพื้นได้ในเบื้องต้นไงคือเรายังไม่มีกำลังที่จะสู้กับทุกขเวทนาได้เราก็เอาแค่ขั้นทรมานใจก่อนไม่ต้องทรมานร่างกายด้วย ทรมานความอยากที่ให้นั่งเฉยๆเพื่อทรมานความอยากใจเรามันอยากจะไปนู่นมานี่อยู่มันอยู่เฉยๆไม่ไม่ได้อยู่อยู่ไม่เป็นสุขเราต้องการที่จะตัดกําลังของความอยากเราก็เลยบังคับให้มันอยู่กับที่ให้มันนั่งอยู่กับที่ทีนี้ถ้านั่งแล้วมันเจ็บมันปวดเราก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้หรือนั่งกับพื้นก็ได้ถ้านั่งกับพื้นก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้ก็ได้ แต่ให้มันอยู่ตรงจุดนั้นอย่าให้มันไปตรงนู้นตรงนี้เพราะมันจะหลอกเราเดี๋ยวพอมันไปตรงนู้นมันก็อยากจะกลับมาตรงนี้มาตรงนี้ก็อยากจะกลับไปตรงนู้นอย่างนการฝึกเบื้องต้นฝึกเพื่อให้เรามีสติสู้กับความอยากแต่ยังไม็ความอยากที่ระดับที่ยังที่ไม่รุนแรงเท่ากับความอยากหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายอันนั้นจะรุนแรงกว่า อันนั้นก็ต้องอาศัยสติที่เราได้มันฝึกจากการนั่งแบบสบายไปก่อนถ้าเรานั่งแบบสบายหกชั่วโมงได้ต่อไปเราก็อาจจะนั่งสู้กับความอยากหนีจากความเจ็บไปได้แต่อา จ, จะนั่งได้สองชั่วโมงก็ยังดีเพราะตอนนี้ถ้าเราไปนั่งนี้พอเจอความเจ็บปั๊บก็ลุกแล้วหนีแล้วอยู่สู้มันไม่ได้ดังนั้นเรายังสู้ความเจ็บไม่ได้เราก็มา ทรมานความความอยากก่อนพยายามตัดความอยากที่ง่ายก่อนคือความอยากที่จะเคลื่อนไหวไปตรงนู้นมาตรงนี้หรืออยากดูอยากฟังอะไรตัดมันไปของพวกนี้มันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมมไมทำให้ร่างกายเจ็บอยากจะดูอะไรก็ไม่ให้ดูให้ดูเท่าที่มีให้ดูแต่ไม่ให้ดูหนังสือไม่ให้ดูอะไรทั้งนั้นดูเท่าที่มีให้ดู Flag ฟังก็ให้มีฟังเท่าที่มีที่ฟังแต่อย่าไปหาอะไรมาฟังอย่างนี้ให้ฝึกอยู่ตรงนี้ไปก่อนควบคุมความอยากในระดับร ะ, ร, ะระดับต่ำก่อนระดับเบาก่อนแล้วพอเรามีกำลังที่จะควบคุมความอยากในระดับนี้แล้วต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากที่รุนแรงกว่านี้ได้เช่นความอยากที่จะเวลาเจ็บเราอยากจะลุกอย่างนี้ นตอนต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้นานเราก็จะซึ้งกับความเจ็บปวดได้นานตาเบลเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในกรณีที่เราฟังเทศสีอย่างสมมติฟังพระอาจารย์เทศอยู่แต่จิตมันไหลมันฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราใช้พุทโธกำกับ น, นี่ทำถูกไหมคะก็ถ้าเราใช้การฟังเทเสีแล้วดึงใจไม่อยู่ก็ต้องใช้อย่างอื่นถ้าเราอยากจะให้หยุดความคิดก็ใช้ได้ใช้พุทโธ ก, ก็ได้ หรือดึงใจให้มาฟังเทศต่อให้ได้ถ้าใจอยู่กับการฟังได้มันก็จะไม่ฟุง้งถ้ามันฟุ้งก็อาจจะต้องใช้พุโทโธถ้าพุโทโธเราก็อย่าไปฟังเทศถ้าเราฟังคนเดียวเปิดเครื่องก็ปิดเครื่องไปแล้วก็ให้ใช้พุโทโธอย่างเดียวเพราะเดียวมันฟังทั้งพุโทโธมันฟังทั้งเสียงเทศเมื่อมันจะมันจะรบกวนกัน แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆเช่นตอนมาฟังเทศบนเขานี่แล้วมันฟุ้งอยากจะให้หยุดก็หยุดอย่าไปฟังเทศแล้วก็ใช้พุทโธไปก็ได้คือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศแล้วเราเปิดเทศฟังที่บ้านเปิดเปิดเสียงเปิดเครื่องนี้แล้วมันไม่ยอมอยู่กับการฟังเทสแล้วอยากจะอยู่กับพุทโธเราก็ปิดซะดีกว่า เอเดี๋ยวมันจะมารบกวนกันเอแต่ถ้ามันปิดเสียงเทศไม่ได้ฉันมาอยู่บนเขามาฟังเทศบนเขาแล้วมันยังฟงุ้งอยู่เราอยากจะใช้พุทธโธหยุดมันก็ลองใช้ดูก็แล้วกันดูเสีว่าหยุดมันได้หรือเปล่าคำถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่มีเข้ามาทางไหนเลยนะอวันนี้นสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีค่ะ วันนี้เบื้องต้นเป็นยังไงของใครของเฟซบุแลหวก็ททอหายไปนานัหยเฟซบุ๊กเหมือนกับเชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วก็มามาเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็เชื่อมต่ออีกแล้วก็มาแบบนี้ครับสัญญาณเน็ตนะอหมส่วนของยูทูปกติีครับเราใช้ของยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าย่เดี๋ยวกันได้ทาไมเครื่องหนึ่งมันไม่ขาดอีกเครื่องมันขาด อนนี้คงยังไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่อาจจะอยู่ที่ระบบของ facebook เองระบบ facebook อาจจะมีคนใช้เยอะหรืออะไรก็เลยอาจจะล่มก็เป็นอนิจจังอันนี้ก็ก็ให้เราถ้าเราทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจัง มันก็มีเกิดมีดับมีขาดขาดหายหายนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะไปหวังให้มันราบลื่นไปตลอดทุกวันทุกเวลาไม่ได้บางเวลามันก็ไม่ราบลื่นบางเวลามันก็กขุ่นกะเหมือนขับรถบนทองถนนนี้บางทีมันก็ไม่ได้วิ่งไปตลอดบางทีก็มีรถติดบางทีถนนก็ชำรุดมีหลุมมีบอ่อ อันนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรดีร0อยเปอร์เซ็นตไปตลอดเวลาไม่มีอะไรมันเลวร้ายไปตลอดเวลา ม, มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสลับกันไปมาในชีวิตของเราถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราราบรื่นคือจิตของเราไม่วุ่นวายเราก็ต้องหัดรับกับสิ่งต่างๆอย่าไปยึดไปติดว่าจะต้องให้มันดีอย่างเดียว หรือจะต้องไม่ให้มีอะไรไม่ดีเลยมันก็ต้องมีบ้างทั้งดีและไม่ดีถ้าไม่อยากจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดรับรับรองก็ไม่ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ตาสาวโลกนี้ท่านไม่ต้องมาเจอเรื่องราวอย่างที่พวกเราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ท่านก็เคยเจอมาแต่ท่านเข็ดแล้วท่านเบื่อแล้วท่านก็เลยไม่กลับมาเกิดนแต่พวกเราไม่รู้เข็ดหรือยังเบื่อหรือยัง ปากก็บ่นไปอย่างนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวก็กลับมาอีกบ่นว่าอย่างนน้นอย่างนี้เดี๋ยวพอไม่เห็นหน้ากันสักพักก็คิดถึงกันอีกแล้วพอเจอหน้ากันก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวพอพอทะเลาะกันก็หนีกันไปแยกกันไปแยกกันไปไม่เกี่ยงวันคิดถึงกันอีกแล้วกลับมาหากันอีกแล้วลืมเรื่องเรื่องที่ทะเลาะกันซะละใจเรามันเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นใจที่ลืมง่ายลืมความทุกข์ง่าย จึงกลับมาหาความทุกข์อยู่เรื่อๆยๆโดยมื่อไม่รู้จดไม่ไม่เคยจดไม่เคยจำเพราะเวลาคิดถึงก็คิดถึงแต่ความสุขที่เขาจะให้เราลืมความทุกข์ที่เขาให้เราพอมาหาเขาได้ความสุขเดียวเดียวเขาให้ความทุกข์กลับมาอีกแล้วพอได้ความทุกข์ก่อนหนีไปอีกแล้วเนี่ยเราชอบลืมความทุกข์กันเกียดความทุกข์เลยไม่พยายามคิดถึงมันพยายามลืมๆมันแล้วก็เลยต้องเจอมันอยู่เรื่อย พวเราไม่เข็ดไม่กลัวความทุกข์กันมีคําถามเข้ามาไหมหยังไม่มีไม่มีก็อย่าพูดไปเรื่อยๆนะอันนี้จังอันั้ตาก็คือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่เราไปแยกมันว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเราไปแยกว่าของที่เราควบคุมบังคับได้บางเวลาว่าไม่ใช่ธรรมชาติ เช่นร่างกายเราเราก็ยังไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นธรรมชาติเราถือว่ามันของเราเพราะเราควบคุมมันได้ตอนนี้เราสั่งมันได้สั่งให้มันกินข้าวได้สั่งให้มันอาบน้ําได้สั่งให้มันไปไหนมาไหนได้เราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่วันหนึ่งวันดีเกินดีมันก็สั่งไม่ได้ มันอยากจะไม่สบายขึ้นมาเนี่เราก็สั่งให้มันไม่ไม่ให้ไม่สบายก็ไม่ได้มันก็จะไม่สบายอันนี้มันจะเริ่มเห็นว่าเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกมันจะตกเราไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าถ้าถึงสอให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมชาติหมด แม้แต่ร่างกายของเราหรือแม้แต่สินค้าต่างๆที่เราซื้อมากันนี้ก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ในบางเวลาแต่มีเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะตั้งควบคุมไม่ได้เช่นให้มันอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยววันดีกืนดีใครขโมยไปมันก็หายไปละจากเราไปละหรือให้มันใช้ได้ดีไปตลอดมันดีขึ้นดี ด้เครื่องมาก็ใช้ไม่ได้เ อ, อ้าทำไมใช้ไม่ได้นี่ก็ต้องไปค้นหาสาเหตุนะแบตหมดนะแบตหมดก็ต้องไปเปลี่ยนแบตถ้าเปลี่ยนแบตแล้วยังใช้ไม่ได้นี้ก็ต้องให้ช่างเขาดูเป็นอะไรมันมีหลายสาเหตุด้วยกันเพราะฉะนั้นะ พ, ยยพยายามองทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติจะสบายใจเพราะอะไรเราจะได้ไม่ไปหวังอะไรจากมันมาก เราไม่ได้หวังอะไรจากฝนฟ้าอากาศมากมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปมันไม่ตกก็เรื่องของมันแดดจะออกหรือแดดไม่ออกก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันหวังก็ไม่ได้ก็เลยไม่หวังดีกว่าจะได้ไม่ผิดหวังถ้าหวังแล้วไม่ได้ก็จะผิดหวังนี่คือหลักของความคิดที่จะทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราไม่เสียใจไม่วุ่นวายไม่มิตกไม่เครียดไม่กังวล ก็คือมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้แหละอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้แสงสว่างมีแค่นี้ลมพัดแค่นี้จะไปอยากให้มันสว่างกว่า น, นี้เลือกให้ลมพัดแรงกว่า น, นี้มันก็ก็ไม่ได้ดังใจอยากอยากไปก็จะเสียใจไปเปล่าๆวุ่นวายใจเปล่าๆดังนั้นหัดทำใจให รับกับสบภาพความเป็นจริงได้ทุกเวลานาทีตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นต่อมันจะเป็นยังไงก็เอากับมันนั่งกายมันจะเป็นยังไงก็เอากับมันตอนนี้มันไม่เจ็บก็ไม่เจ็บเดี๋ยวมันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปเดี๋ยวมันจะตายก็ให้มันตายไปถ้าเรารับกับเหตุการณ์ได้คือปล่อยวางได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับเหตุการณ์ เราไม่เราอยากจะเปลี่ยนมันเช่นเวลาเจ็บก็อยากจะให้มันหายพอมไม่หายมันก็ทุกข์ขึ้นมานงถ้ายอมไม่มันเจ็บมันก็จะไม่ทุกข์มีคำถามจากเฟซบ o ๊ k นะคะคุณนาวินนมัสการครับสงสัยว่าการปฏิบัติแบบเริ่มต้นขึ้นด้วยอภิธรรมเลยแบบอาจารย์สุจินกับการเริ่มด้วยการภาวนาพุทโธ ต่างกันอย่างไรครับแบบไหนปฏิบัติง่ายกว่าขอความเมตตาครับก็เราไม่รู้นะเราไม่เคยไปปฏิบัติเราไม่เคยไปศึกษ า, าทางอริธรรมงั้นก็เลยตอบไม่ได้เองแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นของการปฏิบัตินอกจากมีทานมีศีลแล้วเราก็ต้องมาฝึกสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้ การจะฝึกสติก็ต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธคอยกำกับใจเพื่อหยุดความคิดต่างๆถ้าใจมีพุทโธพุทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบถ้านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบส่วนการศึกษาภาี่พิธรรมแล้วทำให้ใจสงบได้หรือไม่นี้เราไม่รู้ ก็อาจจะไม่เห็นความสาคัญของความสงบก็ได้เขอาจจะเน้นว่าถ้ามีปัญญาแล้วสามารถดับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องมีความสงบถ้าเป็นความจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนให้มานั่งสมาธิให้เสียเวลาทำไมไม่สอนอภิธรรมให้ไปเรียนอภิธรรมกันทุกคนทำไมมาสอนให้เจริญสติกันเพราะว่าคนบางคนยังไม่มีสติยังไม่มีความสงบก็จะเอาอภิธรรมมา ดับความทุกข์ไม่ได้ต้องมีความสงบสนับสนุนอภิธรรมถึงจะดับได้แต่คนที่มีสมาธิแล้วก็มีอภิธรรมใช้อภิธรรมเรียนอภิธรรมแล้วก็เอาอภิธรรมมาดับความทุกข์ได้เลยเช่นในยุคแรกๆตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมท่านก็นสแสดงธรรมกับพวกที่มีสมาธิแล้วเช่นพระปัญจะวัคคีย์นี้ก็มีสมาธิกันหมดแล้วก็ลวเลยแสดงธรรมอภิธรรมคือปัญญา แสดงอรยิยสัจสี่มากแปดพอได้ฟังเขาเข้าใจเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเขาก็หยุดความอยากนั้นพอหยุดความอยากทุกนั้นก็หายไปเออพราะเขามีกำลังที่จะหยุดได้ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากถึงแม้จะรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็จะหยุดไม่ไดออ้ถามเลยที่ส่งเข้ามา มีคำถามจากบนเข่านะคะถ้ามีคนเป็นโสเภณีต้องทำใจยอมรับกับสภาพแวดล้อมนั้นหรอคะปล่อยให้ใจยอมรับพร้อมกับปล่อยให้ร่างกายจมกับความทุกข์นั้นหรอคะอ้าวตอนนี้มันเป็นโสเภณีแล้วจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นโสเภณีไปก่อนเนใช่จนกว่าจะไปเปลี่ยนงานได้ก็เปลี่ยนไปไม่ได้ หมายความว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับนี่ที่พูดนี่หมายถึงว่าในกรณีที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะให้มันไม่หาไม่ให้มันเจ็บได้ไหรือเปล่าไม่ได้แล้วไปอยากให้มันไม่เจ็บมันจะมันจะทรมานใจถ้าไม่อยากจะทรมานใจก็ปล่อยให้มันเจ็บไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ห้ามก็ไปรักษาดูเลย รักษาได้หรือเปล่ารักษาได้ก็รักษาไปเพื่อหายก็หายแต่ตอนนี้มันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนรับยอมรับมันไปก่อนเช่นตอนนี้เป็นโสเพณีก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพก็ไปหางานทําอย่างอื่นดูซิถ้าหาได้ก็เปลี่ยนอาชีพได้ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นโสเพณีไปก่อนหรือถ้าไม่อยากเป็นโสเพณียอมอดตายก็ไม่ต้องเป็นโสเพณีก็ได้ก็ไปเป็นขอทานแทนก็ได้ ที่เบื่อนก็มีนะอกจากโสเปนี้เป็นขอทานก็ได้เนี่เปลี่ย น, นถับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนอันนี้ไม่ได้ว่าเพียงแต่บอกว่ามันจะต้องเจอเวลาที่เปลี่ยนไม่ได้ได้จะทำอย่างไรเวลานั้นก็ต้องทำใจเท่านั้นเองเข้าใจไหมถูกไหมคำถามที่เ็าถามนี่ตรงไหมค่ะในกรณีนี้เขาถูกบังคับอะเออถูกบังคับก็หนีสิถ้าเวลา คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณติว๋วกราบนมัสการเจ้าคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ดิฉันทำงานอยู่โรงชำแหละเนื้อหมูที่ต่างประเทศโดยเท่าแก่เลือกตัวมาทำงานจะบาปใหมเจ้าคะ่ะและจะแก้กับความไม่สบายใจที่กลัวบาปได้อย่างไรเจ้าคะ่ะอ่ากานี้เป็นคำถามสุดท้ายนะก็ถ้ามันตายแล้วเรามาชำแหละก็ไม่บาป แต่ถ้ามันยังไม่ตายเราไปทำให้มันตายเราก็บาปดังนั้นถ้ามันเป็นของตายแล้วเขาฆ่าแล้วแล้วเขาให้เรามาชำแหละแบ่งชิ้นส่วนออกไปเป็นตับเป็นไตแบ่งทำเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อเขาจะเอาไปจาหน่ายจ่ายแจกอันนี้เราไม่บาปถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่หรือไม่ได้มีส่วนให้เขาตายเราทำหลังจากที่เขาตายแล้วไม่บาปเช่นหมอที่ชนสูตรศพคนตายนี่ก็ไม่บาปใช่ไห หมอชนสูตรสดก็ต้องแหวกผ่า อ, อกผ่าเอาหัวใจเอาตับเอาปอดเอาไตอะไรออกมาดูว่าเป็นยังไง อ, อ, อันนี้ก็ไม่บาป เ, ออเพราะว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าคนที่ฆ่านะบาปออแต่คนที่มาชนะสูตรมาชำแหละมากำจัดศพนี่ไม่บาปเช่นออคนตายแล้วส่งไปสับเหล่าไปเผาสับปเปล่าบาปไหมไม่บาปใช่ไหม เ, ออเพราะสับเหล่ไม่ได้เป็นคนฆ่า ระ บ, บาบก็ต่อเมื่อนหนึ่งฆ่าเองหรือสองสั่งให้เขาฆ่าเช่นเป็นสารนี่พิพากษาประหารชีวิตเนี่ยสารผู้พิพากษาก็บาปด้วยเพราะไปสั่งให้เขาฆ่าแล้วพิจ า, ารณาผู้ทาก็บาปแต่ไม่ผิดกฎหมายเพราะทางบ้านเมืองนี่อนุอนโลมถือว่าเป็นกรณีจำเป็นต้องต้องทำตามหน้าที่ แต่ก็บาปแต่บาปน้อยกว่าการกระทําด้วยความอยากทําเองอยากฆ่าเขาเองหรือโกรธเกลียดใครแล้วต้องการที่จะฆ่าเขาต้องการกําจัดเขาเนี่ยจะบาปกว่าการบาปด้วยการทําตามหน้าที่แต่มันก็บาปเหมือนกันบาปมันจะมีหนักมีเบาไงโทษในคุกตารางก็มีหนักมีเบาแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้าแต่เจตนาความตั้งใจ อาแวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ